ออมขออนุญาตอาจารย์ก่อนเลยนะคะทำไมถึงหลวงพ่อคำเขียนะคะเป็นบุญของผมนะครับที่เกิดมาในพบนี้ชาตินี้แล้วก็ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ความคิดมาตลอดไม่ว่าจะตอนที่บวชเป็นพระภิกษุผ่านการศึกษาปรยิยติธรรมได้ปรเรียนรรห้าประโยค ไปศึกษาต่างประเทศทางด้านวิชาการปรัชญาก็เป็นวิชาที่ว่าดด้วยความคิดแม้จิตใจจะฝักไฝ่ทำแต่ก็ความคิดมันเข้ามาเป็นหนทางให้ผมต้องยึดเหนี่ยวไว้ตลอดเวลาแม้กลับมาเป็นข้าราชการก็เป็นครูสอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัยจบจนกระทั่งว่าเมื่อปี2อ4 7คุณแม่ผมเสียชีวิตและผมมีความประสงค์ที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่ แล้วก็ได้ความที่ผมมีความรู้สึกศรัทธาในหลวงพ่อคําเขียนนะครับที่ศรัทธาหลวงพ่อคำเขียนเพราะผมไปเป็นเขยชัยยภูมินะครับวันแรกที่ไปเหยียบเมืองชัยยภูมิคุณพ่อของภรรยาก็ได้ความรู้สึกว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนฝักไฝ่มาทางศาสนาจะต้อนรับลูกเขย อ, ยอย่างไรดีก็พาไปกราบคารวะหลวงพ่อคําเขียนและผมก็กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพแต่วันหนึ่งเมื่อผมไปกราบท่านว่าผมอยากจะปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแต่มีเพื่อนๆ อ, อยากจะปฏิบัติด้วย ไม่สะดวกที่จะมาที่ชัยภูมิหลวงพ่อจะเมตตาไหมหลวงพ่อท่านถามเลยว่าจะให้ไปยังไงนะครับจะมาเมื่อไหร่สุดท้ายหลวงพ่อและมีพระอาจารย์ไพศาลด้วยนะครับไปที่เชีงยงใหม่ที่ผมบ อ, อกทําไมถึงเป็นหลวงพ่อคำเขียนมันเป็นความลงตัวที่ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่าหลวงพ่อคําเขียนนี่แหละขอโทษนะครับเล่านิดเดียววันที่เราไปเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่วัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเรานั่งลงต่อหน้าหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อได้เริ่มต้นการแนะนําในการสร้างจังหวะสิ่งที่หลวงพ่อซึ่งนั่งอยู่ต่อหน้าผมยิ้มให้ผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นจะปฏิบัติหลวงพ่อถามผมว่าถามทุกคนนะครับแต่ผมคิดว่านั่นคือถามผมว่าตอนนี้มือของเราวางไว้ที่ไหนทันทีผมคิดเลยนะครับว่ามือเราหลวงพ่อไม่รอให้ผมคิดและไม่รอให้ผมตอบหลวงพ่อบอกว่ามือคือกายไม่จําเป็นต้องใช้จิตคิด จิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงนะครับและความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมมาในหลากหลายสำนักด้วยความรู้สึกของคนคนหนึ่ ง, ท, ท, ง, นนงที่ใช้ความคิดปรุงแต่งความหมายแห่งธรรมมาตลอดทั้งชีวิตท่านที่ที่หลวงพ่อบอกว่ามือคือกายไม่จําเป็นต้องใช้จิตคิดใช้จิตรู้ได้เลยผมรู้สึกได้เหมือนการตื่นสว่างขึ้นมาทันทีทันใดและผมรู้ว่านี้คือครูที่ผมรอคอยและผมรู้ว่านี้ทําไมผมยังต้อง ต้องเป็นหลวงพ่อคำเขียนสําหรับผมเพราะเพียงแค่คําพูดของท่านสั้นๆแค่ น, นี้วันนั้นตลอดเย็นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตว่าหนทางนี้แหละคือหนทางที่ผมต้องการแสวงหาและหนทางนี้แหละที่ผมปรารถนาจะพบบุคคลผู้หนึ่งที่จะพาผมไปฉะนจึงไม่แปลกใจนะครับทันทีเมื่อขึ้นปี2018ผมจึงออกจากราชการแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางเดินทางตามที่หลวงพ่อคำเขียนบอกผมไว้นี่คือความหมายในชีวิตที่อยากจะบอกว่าทําไมจึงต้องเป็นหลวงพ่อคำเขียนครับ นี่นะคะคำถามแรกนะคะไปไม่ค่อยถูกเลยน่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ประทับใจด้วยนะคะรบกวนอาจารย์ขยายความในคําที่หลวงพ่อบอกอาจารย์ได้ไหมคะเผื่อพวกเราบางคนที่มาเป็นมือใหม่จะได้เข้าใจครำนี้ชักนิดนึงค่ะพวกเราเกิดมาบนโลกในสังคมนี้ที่พยายามกระตุ้นเตือนให้เราคิด และเราก็มีความเชื่อโดยสุดจริตใจว่าความคิดจะทำให้เรารู้นั่นคือสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนแม้กระทั่งเมื่อเราไปปฏิบัติธรรมเราก็อดไม่ได้ที่จะใช้จิตของเราเนี่ยคิดปรุงแต่งความหมายแห่งธรรมที่เราจะเรียนรู้และความหมายแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นปัญหาสาหรับผมตลอดมาเพราะทุกครั้งไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ซ้านักไหนกับครูบาอาจารย์ท่านใด ก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องใช้ความคิดของเราเข้าไปปรุงแต่งความหมายถ้อยคําที่ครูบาอาจารย์พูดหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์บอกและทันทีที่เราคิดได้ว่านี้คือความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกลงเนื้อหลงตัวว่าเรารู้แล้วใครถามอะไรเราก็บอกได้และความหมายนี้นะครับกลายเป็นว่าเรารู้ธรรมะโดยความคิดซึ่งมันเป็นเพียงแค่ความรู้ระดับ ต่ำลงมาถ้าจะพูดเชิงทฤษฎีนิดเดียวนะครับในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเรามีความรู้อยู่3มระดับคือสุตะมายะปัญญาความรู้ที่เกิดขึ้นจากเรามีประสบการณ์ได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆได้หูได้ตาได้จมูกของเราแล้วเราก็รู้แต่ความรู้ระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็คือรู้เช่นนี้แล้วเอามาคิดใครครวนว่าสิ่งที่เราพบเห็นนั้นเป็นอะไรมีความหมายไวอย่างไรและตรงนี้นะครับเป็นข้อความที่สําคัญสําหรับผมก็คือผมมีความรู้แบบนี้อยู่เยอะมาก เยอะมาจะหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาแต่จริงๆมีความรู้อีกระดับหนึ่งคือความรู้ที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาความรู้ที่เรารู้โดยที่ไม่ต้องคิดความรู้ที่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหยุดคิดแล้วจะรู้แต่ตอนนั้นเราไม่ได้สำเนี๊ยกเลยนะครับว่าหยุดคิดแล้วจะรู้คือหมายความว่าอย่างไรจบจนกระทั่งเมื่อผมพบหลวงพ่อคาเขียนตอนที่ตั้งสร้างจังหวะตามที่หลวงพ่อแนะนําผมกลับพบว่ามันเป็นหนทางที่แสนวิเศษ ที่เราหลุดออกมาจากความคิดได้มาอยู่กับสภาวะซึ่งเป็นปัจจุบันนขณะและความรู้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นเป็นความรู้ที่ผมขจวนี้คือความรู้ที่ผมปรารถนาและความรู้ประเภทนี้นะครับผมก็จะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ปรารถนาแต่เนื่องจากว่าเราเต็มไปด้วยความรู้ที่เกิดจากความคิดพรอเราถูกฝึกปรือถูกสั่งสอนถูกอบรมถูกป้อนข้อมูลให้คิดอยู่ตลอดเวลาและความรู้เองไม่ได้ความคิดเนี่ยเราก็คิดปรุงแต่งและสิ่งที่มันเป็นความรู้มันก็ก่อให้เกิดความขุ่นมัว เกิดความคับแคลนเศร้าหมองอยู่ในใจร่ำไปแม้ว่าเราจะรู้อะไรดีอะไรชั่วแต่มันก็ยังมีความขุม่นโมวอยู่ในใจเราครับงั้นอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกว่าหลวงพ่อถามว่ามือของอาจารย์วางที่ไหนวางที่ไหนคําตอบนั้นมันมันคืออะไรคะคือทันทีที่เราพูดขอโทษนะครับผมศึกษามาเชิงทฤษฎีเช่นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานเราก็บอกว่ามันมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งแห่งจิตที่จะรู้หรือสติ เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดอะไรนะแต่ผมเข้าใจว่าคําพูดของหลวงพ่อคําเขียนถ้าคนอื่นพูดอาจจะไม่เป็นเช่นนี้ก็ได้ความเป็นหลวงพ่อคําเขียนประกอบที่จะเรามีจิตเคารพคําพูดของหลวงพ่อคําเขียนที่มีเมตตาธรรมเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวในตัวของท่านนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพถึงหลวงพ่อหลวงพ่อที่ทุกคนที่นั่งที่นี้อาจจะต้องยอมรับกับผมว่าท่านแม้จะไม่พูดอะไรเพียงแค่เราเข้าไปนั่งใกล้ๆเรายังมีความหมายแห่งธรรม ปรากฏขึ้นในใจเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าหลวงพ่อคําเขียนเป็นพระผู้แสดงธรรมผู้เปิดเผยธรรมไม่ได้ผ่านคําพูดนะครับปัจจุบันเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าการแสดงธรรมคือการพูดทำแล้วก็มีพระภิกษุจํานวนมากประกาศธรรมโดยการพูดถ้อยคําที่เรียกว่าธรรมะแต่หลวงพ่อคําเขียนท่านไม่ได้ใช้วิธีนี้ครับท่านใช้ธรรมะที่มีอยู่ในเนื้อในตัวท่านแล้วก็แสดงธรรมให้เราเห็นเพราะทันทีที่เราไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านด้วยความเคารพเป็นที่สุด และตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมคําถามที่านถามว่าตอนนี้มือว่างที่ไหนเนี่ยนะครับและผมเผลอคิดทันทีเลยนะครับว่ามืออยู่ตรงไหนทั้งที่ความจริงท่านพูดต่อมาเลยว่าไม่ต้องคิดจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดกายเวทนาจิตธรรมที่เราบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งสติคําพูดของหลวงพ่อมันเหมือนกับเป็นการกระชากเอาสิ่งที่ผมเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวไว้แล้วมันเป็นพันธะผูกพันมานาน เ, นเพราะฉะนั้นตอนที่ปฏิบัติตามที่เหนวหลวงพ่อสอนให้สร้างจังหวะเนี่ยครับผมจึง ถึงจุดจุดหนึ่งที่รู้ว่านี่คือเทคนิควิธีที่ขอโทษนะครับง่ายแสนง่ายแต่เรากลับรู้สึกยากนะครับและที่สําคัญคือคำารู้รู้ฮู้ซื้อเนี่ยนะมันเป็นคําที่มันง่ายมากแต่มันช่างเป็นสิ่งเป็นเป็นเคลดลับเป็นกุญแจที่จะเปิดเผยความหมายแห่งธรรมที่มีอยู่ในใจเราและทันทีที่เราไม่ต้องคิดและเราเห็นสภาวะที่มีอยู่ในใจเราโดยไม่ต้องคิดเนี่ยครับผมกใจว่านั้นคือเราเห็นสภาวะที่มันเป็นทุกข์ เเห็นสภาวะที่เรากำลังเพียนพยายามเหลือเกินที่จะฆ่าไม่พ้นครับ